กัรกุมารพระเวชันดรตรัสว่าลุกขึ้นยืนเถิดนะพ่อชาลีการมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏเหมือนที่พ่อเห็นพราหมาเมื่อครั้งก่อนๆความชื่นชมยินดีทําให้พ่อกระเซ็นสารพระชาลีกล่าบทูลว่าข้าแต่พระบิดาแม้ม่อมฉันกอเห็นผู้นั้นปรากฏเหมือนพราหมณ์ดูเหมือนคนเดินทางจากเป็นแขกของพวกเรา ชูโชคทูลถามว่าพระองค์ไม่มีโรคเบียดเบียนหรือทรงสุขสำราญดีหรือเลี้ยงอัตภาพด้วยการแสวงหาหมูลพลาหารสะดวกหรือมูลพลาหารก็มีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าที่มีเนื้อร้ายพลุกพล่านไม่มีมาเบียดเบียนหรือพระเวชันดอนตรัสว่าท่านพราหมณ์เราทั้งหลายไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นสุขสำราญดี อันหนึ่งเราเลี้ยงอัตภาพด้วยการแสวงหาโมลพราหารสะดวกดีทั้งโมลพราหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยในป่าที่มีเนื้อรายอยู่พลุกพล่านก็ไม่มีมาเบียดเบียนเราเลยเมื่อเรามาอยู่ในป่ามีชีวิตอันง่อยเหงาตลอดเจ็ดเดือนเราเพิ่งจะเห็นท่านผู้เป็นพราม์บูชาไฟทรงพรอันประเสริฐ ถือไม้เท้ามีสีดังผลมะตูมและลักจันทร์น้ำนี้เป็นคนแรกท่านมหาพรามท่านมาดีแล้วมิได้มาร้ายท่านผู้เจริญขอเชิญเข้าไปข้างในเชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านเถิดพรามผลมะพร้าผลมาหาดพ้มะ่างพ้หมากเมามีรสหวานปานน้ำผึ้งเชิญท่านเลือกฉันแต่ผลดีดีเถิดมหาพราม แม่น้ำดื่มนี้ก็เย็นสนิทเรานำมาจากซอกเขาถ้าท่านต้องการก็เชิญเดิมเถิดอันหนึง่งท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุไรหรือเพราะปัจจัยอะไรเราถามแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราชูโชคกราบทูลว่าห้วงน้ำเต็มเตียมอยู่ตลอดเวลาไม่เหือดแห้งชั้นใดพระองค์ก็ฉันนั้นมอมฉันมาเพื่อทูลขอ ขอพระองค์ผู้ที่หม่อมฉันทูลขอแล้วทรงพระกรุณาพระราชทานพระโอรสทั้งหลายเถิดพระเวสสันดรตรัสว่าท่านพราหม์เรายอมให้เราไม่ได้หวันไหวท่านจงเป็นใหญ่นำลูกทั้งสองของเราไปเถิดพระนางมัตสีราชบุตรีไปป่าแต่เช้าจะกลับมาจากการสแสวงหาผลไม้ในเวลาเย็นท่านพราหม์จงพักค้างคืนสักคืนหนึ่งเถิด พรุ่งนี้เช้าจึงค่อยไปเพื่อกุมารและกุมารีที่พระมารดาของเธอให้อาบน้ําดํำกล้าวประดับระเบียบดอกไม้ไว้แล้วพรามจงพักค้างคืนจากคืนหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เช้าจึงค่อยไปจงพากุมาลและกุมารีที่ประดับตกแต่งด้วยกลิ่นหอมชนิดต่างๆไปในหนทางที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยมูลพลาหารนานาประการ ชูโชคปราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพข้าพระองค์ไม่ชอบใจที่จะพักอยู่ข้าพระองค์ยินดีที่จะไปแม้อันตรายจะพึงมีแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไปให้ได้เพราะว่าธรรมดาสตรีเหล่านี้เป็นผู้ไม่สมควรแก่การขอมีปกติกระทำอันตรายหญิงทั้งหลายรู้มนย่อมรับทุกสิ่งโดยข้างใจ เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยพระศรัทธาพระองค์อย่าได้เห็นพระมารดาของพระปิโยรสนั้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพพระมารดาของพระปิโยรทั้งสองพระองค์นั้นจะพึงทำอันตรายได้ข้าพระองค์จะไปให้ได้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระโอรสทั้งหลายเหล่านั้นมาเถิดอย่าให้พระโอรสเหล่านั้นได้พบเห็นพระมารดาเลย เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานอยู่ด้วยศรัทธาบุญย่อมเจริญยิ่งขึ้นด้วยอาการชนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระโอรสเหล่านั้นมาเถิดอย่าให้พระโอรสเหล่านั้นได้พบเห็นพระมารดาเลยขอเดชะพระองค์ทรงประทานทรัพย์คือพระโอรสทั้งหลายแก่ข้าพระองค์แล้วจักเสด็จไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่า ถ้าท่านไม่ปรารถนาจะเห็นภริยาของเราผู้มีวัดอันงามก็จงทูลถวายพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินาแด่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระอัยกาพระองค์ทอดพระเนรเ็นพระราชกุมารเหล่านี้ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะตรัสพระวาจาน่ารักทรงปลื้มพระไทยปรีดาปราโมดจากพระราชทานซรแก่ท่านเป็นอันมากชูโชคปราบทูลว่า ข้าแด่พระราชบุตรขอพระองค์โปรดทรงฟังข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์กลัวการที่จะถูกว่าฉกชิงเอาไปพระเจ้ากรุงสนชัยมหาราชจะพึงลงพระราชอาญาข้าพระองค์เพื่อจะทรงปรับสินไหมหรือให้ประหารชีวิตข้าพระองค์จะขาดทั้งทรัพย์และทาตและจะถูกนางพรามณีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพรามติเตียนได้พระเวชันดอนตรัสว่า พระมหาราชทรงตั้งอยู่ในธรรมทรงเป็นผู้ประดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีทอดพระเนรเห็นพระกุมารเหล่านี้ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะตรัสพระวาจาน่ารักได้ปีติและสมนัตแล้วจากพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากชูโชกกราบทูลว่าข้าพระองค์จะทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงพร่ำสอนคงไม่ได้จากนาทารกทั้งหลายไปเป็นทาสรับใช้ของนางพรามณีเท่านั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินาได้สะดับคำของชูชกผู้หยาบช้าตกพระไทยจึงพากันเสด็จวิ่งหนีไปจากที่นั้นพระเวสันดอนตรัสเรียกสองกุมารว่าชาลีลูกรักมานี่เถิดเจ้าทั้งสองจงช่วยกันบำเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มเถิดจงช่วยกันโสรส สงหาไทยของพ่อให้เยือกเย็นเถิดจงเชื่อฟังคำของพ่อเถิดเจ้าทั้งสองจงเป็นดุจญาณาวาของพ่ออันไม่โยกโคลงในสาครคือพบเถิดพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจะช่วยสัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยแม่กันหาลูกรักมานี่เถิดทานบารมีเป็นที่รักของพ่อเจ้าทั้งสองจงช่วยกันโสรส สงฆ์อภัยของพ่อให้เยือกเย็นเถิดจงเชื่อฟังคำของพ่อเถิดเจ้าทั้งสองจงเป็นดุดญาณาวาของพ่ออันไม่โยกโคลงในสาครคือพบเถิดพ่อจะข้ามฝั่งภูชาติจกช่วยสตวรโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเวสสันดรผู้พดุงรับให้เจริญแก่ชาวกรุงสีผี ทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกันหาชินามาได้พระราชทานให้แก่พราหมณ์แล้วลําดับนั้นพระเวชันดรทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกันหาชินามาได้พระราชทานให้แก่พราหมณ์แล้วก็สรงพระทัยชื่นบานในปุตตทานอันอุดมครั้งนั้นเมื่อพระเวชันดรได้พระราชทานพระกุมารทั้งสองแล้ว ความบันลือลั่นน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็สะทานหวั่นไหวครั้งนั้นพระเวสสันดรผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีทรงประคองอัญเชลีพระราชทานพระกุมารผู้เจริญ ด, ด้วยความสุขให้เป็นทานแก่พราหมณ์ความบันลือลั่นน่าสะพริงกลัวขนพองสยองกล้าวได้เกิดขึ้นแล้วลำดับนั้นพราหมณ์ผู้หยาบช้า กัดเถาวันให้ขาดแล้วเอาเถาวัลผูกพระหัตของพระกุมารทั้งสองฉุดกระชากลากไปด้วยเถาวัลแต่นั้นพราหมณ์นั้นถือเอาเชือกและไม้เท้าทุบตีพระกุมารทั้งสองนั้นไปทั้งที่พระเจ้าเวสันดรพระเจ้ากรุงศรีพีทอดพระเนตรเห็นอยู่ลําดับนั้นพระกุมารทั้งหลายพอหลุดจากพราหมณ์ก็รีบวิ่งหนีไปพระชาลีมีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชน ชะเง้อมองดูพระบิดาทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดาพระวรกายสั่นระลิกเหมือนใบโพครั้นทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดาแล้วก็ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาพระมารดากำลังเสด็จออกไปป่าพระองค์ก็จะพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองเสียแล้วข้าแต่พระบิดาขอพระองค์โปรดประทานหม่อมฉันทั้งสอง เมื่อมอมฉันทั้งสองเห็นพระมารดากลับมาก่อนข้าแต่พระบิดาพระมารดากำลังเสด็จออกไปป่าพระองค์ก็จะพระราชทานมอมฉันทั้งสองเสร็จแล้วขอพระองค์โปรดพระราชทานมอมฉันทั้งสองจนกว่าพระมารดาของหมอมฉันทั้งสองจะได้เสด็จมาเมื่อนั้นพรามนี้จะขายหรือจะฆ่าก็จงทำตามความปรารถนาเถิด การผู้หยาบช้านี้ประกอบด้วยบุรุษโทษ18ประการคือ1มีเท้าทู่2มีเล็บกุด3มีปลีน่องหย่อนยาน4มีริมฝีปากบนยาว5มีน้ำลายไหล6มีเขี้ยว7มีจมูกหัก8มีพุงเหมือนหม้อ9มีหลังค่อม มีตาเหล่สิบเอ็ดมีหนวดแดงสิบสองมีผมเหลืองสิบสามมีหนังย่นตกกระสิบสี่มีตาเหลืองสิบห้ามีกายคด1สิบหกมีขาโกงสิบเจ็ดมีขนหยาบยาวสิบแปดนุ่งห่มหนังเสือเป็นอมนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัว เป็นมนุษย์ปริยักษ์ที่กินเนื้อและเลือดออกจากบ้านมาสู่ป่ามาทูลขอทรัพย์กับพระองค์พระเจ้าค่ากันหาชาลีกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาม่อมฉันทั้งสองกำลังถูกปีศาจนำไปอยู่เพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงมองเมิอนอยู่พระทัยของเสด็จพ่อเห็นจะเหมือนหินหรือมิคะนั้นก็เหมือนแผ่นเหล็กที่กลึงไว้พระองค์ไม่ทรงรู้สึกว่า หม่อมฉันทั้งสองถูกพรามผู้หยาบช้าหรือเกินผู้สแสวงหาทรัพย์ผูกมัดแข่เขี้ยนตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนนายโคบานเขี้ยนตีโค ข, ขอให้น้องกันหาอยู่ณที่นี้นี่แหละเธอยังไม่รู้จักทุกข์ร้อนอะไรอะไรเธอจะคร่ำครวญเหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพราะจากฝูงไม่เห็นแม่พระกุมารคร่ำครวญถึงพระมารดาและพระบิดาว่าข้าพระองค์ไม่เป็นทุกข์ เพราะความทุกข์เช่นนี้คนพึงได้รับเหมือนกันแต่ทุกข์ที่หม่อมฉันไม่เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ที่ยิ่งกว่านี้ของหม่อมฉันข้าพระองค์ไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เช่นนี้คนพึงได้รับเหมือนกันแต่ทุกข์ที่หม่อมฉันไม่เห็นเสด็จพ่อเป็นทุกข์ที่ยิ่งกว่านี้ของหม่อมฉันพระมารดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระกัญหาชินากุมารี ผู้มีดวงเนตรงดงามก็จะทรงกันแสงพร่ำหาตลอดกาลนานพระบิดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระกันหาชินากุมารีผู้มีดวงเนตรงดงามก็จะทรงกันแสงพร่ำหาตลอดกาลนานพระมารดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระกันหาชินากุมารีผู้มีดวงเนตรงดงาม ก็าจะทรง ก, งกันแสงพระมหาในอาสมตลอดกาลนานพระบิดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระกัญหาชินากุมารีผู้มีโดวเนตรงดงามก็จะทรงกันแสงพระมหาในอาสมตลอดกาลนานพระมารดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่จกทรงกันแสงพร่มหาตลอดกาลนาน ทรงหวนระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือทั้งคืนแล้วจะทรงสู้พร้อมตายไปเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไปพระบิดานั้นจะทรงทนทุกข์ลำบากแน่จะทรงกันแสงพร่ำหาตลอดกาลนานทรงหวนระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือทั้งคืนแล้วจะทรงสู้พร้อมตายไปเหมือนแม่น้ำเขินเหือดแห้งไป รูกรชาชนิดต่างๆเหล่านี้คือต้นว่าต้นย่านทายที่มีกิ่งห้อยย้อยวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งรูกรชาติต่างๆเหล่านั้นไปรูกระชาชนิดที่มีผลชนิดต่างๆคือต้นโพใบต้นขนุนต้นไซและต้นมะขิดที่เราทั้งสองเคยเล่นมาก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งรูกระชาเหล่านั้นไป สวนเหล่านี้ก็ยังตั้งอยู่นี้แม่น้ำที่เยือกเย็นเราทั้งสองเคยลงเล่นมาก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละท exactly ิ้งสิ่งทั si ้งสองนั้นไปบุพชาติชนิดต่างๆบนภูเขาลูกโน้นที่เราทั้งสองเคยทัดทรงมาก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปผลไม้ชนิดต่างๆบนภูเขาลูกโน้นที่เราทั้งสองเคยบริโภคมาก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งผลไม้เหล่านั้นไปสิ่งของเหล่านี้คือตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าและตุ๊กตาวัวที่พระบีดาทรงปั้นไว้ให้เราทั้งสองเล่นซึ่งเราทั้งสองเคยเล่นมาก่อนวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งตุ๊กตาเหล่านั้นไปพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า พระกุมารทั้งสองพระองค์ถูกพรามชูชกนำไปอยู่เดื่อราบทูลพระบิดาดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาว่าลูกทั้งสองไม่มีโรคและขอพระองค์ทรงพระสําราเถิดชาลีกล่าวว่าตุกตาช้างตุกตาม้าและตุกตาวัวเหล่านี้เป็นของหม่อมฉันทั้งสอง ขอให้พระองค์โปรดประทานตุกตาเหล่านั้นแก่พระมารดาความเศร้าโศก ข, ของพระองค์จะหายไปเพราะตุกตาเหล่านั้นตุกตาช้างตุกตาม้าและตุกตาวัวเหล่านี้เป็นของหม่อมฉันทั้งสองพระมารดาได้ทอดพระเนตรเห็นตุกตาเหล่านั้นก็จะทรงกำจัดความเศร้าโศกเสียได้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้น พระเวสสันดรคติยะราชทรงบำเพ็ญทานแล้วเสด็จเข้าไปสู่บนนารรณศาลาทรงฟันแสงพิลาบว่าพระเวสสันดรทรงพร่ำครวญว่าวันนี้ลูกน้อยทั้งสองจะหิวข้าวกระหายน้ำอย่างไรหนอจากเดินทางไกลร้องไห้สะอึกสะอื้นครั้นในตอนเย็นเวลาบริโภคอาหารใครจะให้อาหารแก่ลูกทั้งสองนั้น วันนี้ลูกน้อยทั้งสองจะหิวข้าวกระหายน้ำอย่างไรหนอจากเดินทางไกลร้องไห้จะอึกส่อื่นครั้นในตอนเย็นเวลาบริโภคอาหารลูกทั้งสองเคยอ้อนมัซีผู้เป็นมารดาว่าพระเจ้าแม่ลูกทั้งสองหิวแล้วขอเสด็จแม่จงประทานแก่ลูกทั้งสองเถิดลูกทั้งสองไม่ได้สวมรองเท้าจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าได้อย่างไร ลูกทั้งสองจะเมื่อยล้ามีบาทาทั้งสองข้างฟกช้ำใครจะจูงมือลูกทั้งสองนั้นเดินทางทำไมหนาพรามนั้นช่างร้ายกาดนักไม่ละอายเขี่ยตีลูกๆผู้ไม่ประทุษร้ายต่อหน้าเราแม้แต่คนที่ตกเป็นทาสีเป็นทาบของเราหรือคนรับใช้อื่นใครเล่าที่มีความละอายจะเขี่ยตีคนที่แสนต่ำต้อยแม้นั้นได้เมื่อเรายังอยู่ พรามช่างดา่าช่างเคียนลูกรักทั้งสองของเราผู้มองดูอยู่เหมือนปลาที่ติดอยู่ที่หน้าใสหรือเราจะถือเอาธนูจักเน็บพระขันไว้ข้างซ้ายนำเอาลูกทั้งสองของเรามาเพราะว่าลูกทั้งสองถูกเคี้ยนตีเป็นทุกข์ทรมานการที่กุมารทั้งหลายเดือดร้อนเป็นทุกข์แสนสาหัสนี้ไม่ควรเลยก็ใครเล่ารู้ธรรมของสัตว์รุษทั้งหลาย ให้ทานแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังชาลีกล่าวว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้ได้พูดความจริงไว้อย่างนี้ว่าบุตรใดไม่มีมารดาของตนเองบุตรนั้นก็เหมือนไม่มีบิดามันนี่เถิดน้องกันหาเราทั้งสองจกตายด้วยกันจะมีชีวิตอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์พระบิดาผู้ทรงเป็นจอมประชาชน ได้ประธานเราทั้งสองแกตาพรามผู้สแสวงหาทรัพย์ผู้หยาบช้าเหลือเกินแกเขียนตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนนายโคบานเขียนตีโครูกระชาชนิดต่างๆเหล่านี้คือต้นว่าต้นย่านสายมีกิ่งห้อยย้อยที่เราทั้งสองเคยเล่นมาก่อนน้องกันหาวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งรุกระชาเหล่านั้นไป รุกชาติที่มีผลชนิดต่างๆคือต้นโพใบต้นขนุนต้นใสและต้นมะขิดที่เราทั้งสองเคยเล่นมาก่อนน้องการหาวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งรุกชาติเหล่านั้นไปสวนเหล่านี้ก็ยังตั้งอยู่นี้แม่น้ำที่เยือกเย็นเราทั้งสองเคยลงเล่นมาก่อนน้องการหาวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งสองนั้นไป บุปผชาชนิดต่างๆบนภูเขาลูกโน้นที่เราทั้งสองเคยทัศน์งมาก่อนน้องกันหาวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปผลไม้ชนิดต่างๆบนภูเขาลูกโน้นที่เราทั้งสองเคยบ e, anyway. ริโภคมาก่อนน้องกันหาวันนี้เรา cons, ทั้งสองจะต้องละทิ้งผลไม้เหล่านั้นไปสิ่งของเหล่านี้คือตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าและตุ๊กตาวัว ที่พระบิดาทรงปั้นไว้ให้เราทั้งสองเล่นซึ่งเราทั้งสองเคยเล่นมาก่อนน้องกันหาวันนี้เราทั้งสองจะต้องละทิ้งตุ๊กตาเหล่านั้นไปพระกุมารทั้งสองเหล่านั้นคือพระชาลีและพระกันหาชินาถูกพรามชูชกนำไปอยู่พอพ้นออกจากมือพรามก็พากันวิ่งไปทางนั้นๆลำดับนั้นพรามนั้นถือเอาเชือกและไม้เท้า ทุตีราชคมูมารและคุมารีทั้งสองนั้นแล้วนำไปทั้งที่พระเวสันดอนพระเจ้ากรุงศรีพีทอดพระเนตรเห็นอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระกันหาชินาได้ยกราทุลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพรามนี้เคี่ยนตีหม่อมฉันด้วยไม้เท้าเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนเบีย้ยข้าแต่พระบิดา ผู้นี้คงจะไม่ใช่พรามเป็นแน่เพราะพรามทั้งหลายเป็นผู้มีธรรมแต่พรามคงจะเป็นยักษ์แปลงเพศเป็นพรามนําลูกทั้งสองไปเพื่อจะกินเป็นอาหารพระเจ้าค่าลูกทั้งสองถูกพรามผู้เป็นปีศาจนําไปข้าแต่พระบิดาทําไมเนอพระองค์จึงเมินเฉย อ, อยู่เล่าพระกันหาชินาได้เดินคร่ำครวญไปว่าท้าของเราทั้งสองนี้ยังเล็กนักเป็นทุกข์ ทั้งขนทางก็ไกลเดินไปได้แสนยากเมื่อพระอาทิตย์คล้อยลงต่ำพรามก็เร่งเราทั้งสองให้รีบเดินเราทั้งสองขออดครวนกราบไหว้เทพเจ้าทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่ณภูเขาลำนาไพรสระน้ำและบ่อน้ำที่มีท่าสวยงามด้วยเสียนกล้าวขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่ณป่าหญ้าละดาวันต้นไม้ที่เป็นโอสถบนภูเขาและป่าไม้ ขอให้ช่วยกราบทูลพระมารดาว่าเราทั้งสองนี้ไม่มีโรคพราหมณ์นี้นําเราทั้งสองไปอันหนึ่งเทพเจ้าผู้เจริญทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยกราบทูลพระแม่เจ้ามัสสีผู้เป็นพระมารดาของเราทั้งสองว่าถ้าพระแม่เจ้าปรารถนาจะเสด็จติดตามมาก็ให้รีบเสด็จติดตา ม, มาโดยเร็วทางนี้เป็นทางเดินไปได้คนเดียวตรงไปยังอาสม พระมานดาพึงเสด็จติดตามมาทางนั้นเท่านั้นก็จะทันได้เห็นเราทั้งสองอย่างเร็ววัยโอ๋หนอพระแม่เจ้าผู้ทรงเพศเป็นตาปัสสินีทรงนำมูลพราหานมาจากป่าได้เห็นอาสมอันว่างเปล่าพระองค์จักเป็นทุกข์พระมานดาเสด็จเที่ยวไปสแสวงหามูลพราหานจนล่วงเวลาคงได้มาไม่ใช่น้อยคงไม่ทราบว่าเราทั้งสองถูกพราหมณ์ผู้สแสวงหาทรัพย ผูกมัดพาไปถูกพราหมณ์ผู้หยาบช้าเหลือเกินผู้สแสวงหาทรัพย์ผูกมัดแก่เขี้ยนตีมอมฉันทั้งสองเหมือนนายโคบานเขี้ยนตีโคเออโควันนี้เราทั้งสองจะได้เห็นพระมารดาเสด็จมาจากการสแสวงหามูลพราหารในเวลาเย็นพระมารดาพึ่งประทานผลไม้ที่เจอด้วยน้ำพึ่งแก่พรามณครั้งนั้นพราหมณ์นี้หิวกระหาย จะไม่พึงเร่งให้เราทั้งสองเดินเท้าทั้งสองของเราบวมหนอพรามก็เร่งให้เราทั้งสองรีบเดินพระกุมารทั้งหลายทรงรักใคร่ในพระบิดาทรงกันแสงพิลาบอยู่ณที่นั้นด้วยประการชนี้การกุมารจบ